ต้องซื่อสัตย์นะภาวนาเราไปติดนิสัยชาวโลกนะว่าเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์แล้ววิธีการอะไรก็ได้มันไม่ถูกไม่ใช่วิธีของชาวพุทธหรอกนะวิธีชาวพุทธไม่ใช่แค่เป้าหมายถูกต้องวิธีการต้องต้องเป็นธรรมต้องถูกต้องด้วยนี่ในทางโลกนะอาธรรมมันรุนแรงขึ้นได้อยอย่างมันพยายามบอกกันนะโฆษณา โกงก็ได้นะถ้ามีผลงานอย่างนี้ชาวพุทธรับไม่ได้หรอกไม่ไ ม, ไม่ไม่ถูกต้องวิธีการที่เราใชนะ้ต้องสะอาดด้วยหรือไม่ใช่อย่างเราจะเผยแพร่าาศาสนานะใครไม่นับถือเราก็ฆ่าทิ้งอะไรเงี้ยมันก็ไม่ถูกเงยันชาวพุทธต้องรู้จักเลือกวิธีการที่เป็นธรรมดนะ้วยที่ถูกศีลถูกธรรม เราเอานิสัยชาวโลกมาใช้มันไม่ได้ขัดเกลากิเลสลำพังการเจริญสติอย่างเดียวนะเราไม่ยอมขัดเกลากิเลสของตัวเองเลยเนี่ยได้ผลยากเราอยากเอาการเจริญสติมาเป็นข้ออ้างสนับสนุนกิเลสด้วยซ้าไปศีลก็สาคัญนะความมุ่งมั่นที่จะขัดเกลากิเลสในใจของเราก็สำคัญใช่ปล่อยตามใจกิเลสทุกวันทุกวันเราจะเอานิพพาน เป็นคนตะกอนพวกขี้เมากินเหล้าทุกวันนะแต่พอกินเหล้าแก้วที่หนึ่งมช่ ห, หมนงนุษมพูดจาเรียบร้อยแก้วที่สองพุทธวาจาพูดธรรมะกันเฉยเลยนะคือถ้าอยอหวังมากผลนิพพานนะต้องขัดเกลาตัวเองเครื่องมือในการขัดเกลารตัวเองมีสามระดับนะคือศีลสมาธิปัญญาศีลนะขัดเกลา ความเวลวร้ายทางกายทางวาจาข่มไว้ก่อนอยังพาวนาไม่เป็นยังไงก็ไม่ทําผิดศีลห้าเป็นเครื่องขัดเกลาที่หยาบที่สุดเลยถ้าไม่มีศีลห้านะสังคมอยู่ด้วยกันไม่ได้กระทั่งในบ้านก็ไม่มีความสุขนะในบ้านก็เป็นสังคมมันนึงเล็กๆสังคมที่ใกล้ตัวถ้าสามีขี้โกหกภรรยาขี้โกหกอะไรเงี้ยสามีชอบมีกิ๊กภรรยามีกิ๊กเลยเนะโอ้บ้านร้อนตายเลย สนีลนะเป็นเครื่องขัดเกลวเบื้องต้นเลยนะทำให้เราร่มเย็นเ็นสุขเงิศีลสาคัญนะเครื่องขัดเกลวอันต่อมาคือสมาธิสมาธิขัดเกลวยังไงสมาธินี่เป็นเครื่องข่มกิเลสในใจศีลเนี่ยเป็นเครื่องควบคุมพฤติกรรมทางกายวาจานะไม่ให้ตามใจกิเลสสมาธินี่เป็นเครื่องข่มจิตใจนะเวลากิเลสมันเกิด เช่นราค้ามันเกิดนะเราพิจารณาสุภะมันข่มกันไม่เป็นคราลเราก็เป็นคนดีอยู่ช่วคราวเดี๋ยวราค้ามาใหม่นะพิจารณาใหม่พิจาณาลงบ้างไม่ลงบ้างได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างแต่เป็นเริ่มแกเป็นการควบคุมจิตใจตัวเองเรื่องของสมาธิเป็นเรื่องการขัดเกลาด้วยการควบคุมจิตใจตัวเองการขัดเกลารที่ประณีตที่สุดเลยคือการเจริญปัญญา ครูบาอาจารย์ท่านเทียบหนะ้าบอกศีนเหมือนกวานนะเหมือนกวานอย่างเราจะเอาไม้สักท่อนหนึ่งมาแกะสลักเป็นพระพุทธรูปนี่เป็นต้นไม้ต้นหนึ่งนะเอาขวานไปฟันมันก่อนนตัดได้ท่อนไม้ใหญ่ๆมาค่อยๆถากถากเอาขวานถากให้เป็นรูปร่างเป็นเขาโครงพระพุทธรูปนะถัดจากนั้นก็ใช้เครื่องมือที่ละเอียดขึ้นมานะใช้สิวใช้อะไรนี้ค่อยๆตอกค่อยๆแกะนะ นี่คือเรื่องของสมาธิขัดเกลาระดับปานกลางสุดท้ายพอถึงขั้นเจริญปัญญานะียท่านบอกค่อยๆค่อยๆขูดค่อยๆเกลานะใช้กระดาษทรายค่อยๆขัดขัดขัดไปนะออกมาสวยงามนั้นเป็นงานที่ประณีตนะงานเจริญปัญญามีซุงอยู่ต้นหนึ่งอยากได้พระพุทธรูปนะเอากระดาษทรายไปขัดใหญไม่ให้กินหรอก เพต้องมีทั้งศีลมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาศีลเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสอย่างหยาบที่มันล้นออกมาทางกายทางวาจาไม่สามารถสู้กิเลสได้หรอกศีลแต่ว่าไม่ยอมทําตามใจกิเลสจนละเมิดคนอื่นเขาทางกายทางวาจาสมาธิเนี่ยเป็นเรื่องข่มใจชีวมีราค้าก็พิจรารณาสุภาษณ์ จิตมีโทสะก็เจริญเมตตานะกลับข้างกันไปจิตฟุ้งซ่านก็น้อมใจไปอยู่ในร ม, มันเดียวเช่นอยู่ในลมหายใจอนะไรนี้จิตก็สงบขึ้นมาช่วครั้งช่วคราวก็ดีกว่าไม่สงบเลยนะี่ขั้นเจริญปัญญาเนี่ยไม่ใช่เรื่องควบคุมพฤติกรรมทางกายทางวาจาแล้วไม่ใช่เรื่องข่มใจละขั้นเจริญปัญญาเนยเลยขึ้นไปอีกนะไม่ขม่มใจ นี่ควรจะไม่ข่มใจได้นียถ้าไม่มีศีลนะความชั่วมันจะล้นออกมาเพราะว่าฝีมือเรายัางไม่แข็งแกร่งพ อ, อยังเจริญปัญญาไม่ได้ดีพอสติปัญญาไม่พอกิเลสครอบงําใจได้ถ้าเราไม่มีศีลนะเราจะทําความผิดออกมาทางกายทางวาจาได้หลวงพ่อเคยรู้จักผู้หญิงคนหนึ่งโอ้ชอบภาวนานะไปหมดทุกสำนักเลยนะ ก่อนจะมาเจอหลวงพ่อนะเที่ยวตะเวนสำนักน้องสำนักนี้นักนเรียนไปทั่วเลยนะไปกระทั่งเมืองอินโดอินเดียนะใครเขาเรียนที่ไหนไปหมดเลยนะวันหนึ่งไปกินก๋วยเตี๋วด้วยกันนะสั่งก๋วยเตี๋ยวราดหน้าเด็กมันส่งผิดโต๊ะนะสั่งก่อนได้ทีหลังพอเด็กเดินผ่านนะัดตบฉาดเลย <c oughs> บอกโอ้ยพี่ไปตบเพราะทำไมนะพี่ตบด้วยจิตว่างโอ้ไงนะ ปัญญากล้ามากเลยตกก็ได้จิตว่างใช่ไหมเออาก็ว่างเออาก็ว่างใช่ไหมมันไม่ล้างกิเลสหรอกใช้ไม่ได้นะเนี่ยขาดศีลแล้วใช่ไหมใจก็มีโทสะขึ้นมาไม่ยอมเจริญเมตตานี่ขาดสมาธิแล้วเออาจะจิตว่างจิตว่างมันไม่ว่างจริงหรอกมันว่างแต่ปากงรานเราต้องให้ถึงพร้อมนะเครื่องมือในการสู้กิเลสเนะี่ยมีทั้งศีลมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญา สู้กิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดงั้นะลำพังสู้อย่างละเอียดนะสู้ไม่ไหวจริงหรอกค่อยๆฝนค่อยๆกลาแม้กิเลสเกิดแล้วรู้กิเลสเกิดแล้วรู้ถ้ามันรู้ได้ก็ดีสิส่วนมากมันนานๆรู้ทีหนึ่งเวลาที่เหลือนะอกุศลหยาบหยาบเอาไปกินแต่ถ้าฝึกไปจนชํานาญนะจนสติอัตโนมัติแนละ้วศีลมันเกิดขึ้นเองนะสมาธิเกิดขึ้นเองเลยไม่ต้องรักษาละมีขึ้นมาเอง แต่ก่อนจะมีขึ้นมาเองเนี่ยต้องสร้างมันไว้ก่อนเป็นเครื่องอาศัยไว้ก่อนยังไงก็อย่าทําชั่วก็แล้วกันนะพอถึงขั้นเจริญปัญญาเราจะไม่กดข่มทางใจละกิเลสเกิดขึ้นมาไม่หาทางละลนะ้วไม่หาทางข่มนะแต่ความชั่วใดๆกิเลสใดๆผุดขึ้นในใจให้มีสติรู้ทันเราจะเห็นเลยว่ากิเลสเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปไม่เฉพาะกิเลสหรอกที่เกิดแล้วดับกุศลเกิดแล้วก็ดับด้วยนะ ทุกอย่างมีแต่เกิดแล้วดับเกิดแล้วดับนี่เรียกว่าเจริญปัญญาแต่ถ้าปัญญารําหน้านะก็คิดเอาเองว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับทุกอย่างว่างเปล่าทําชั่วอะไรก็ได้เพราะว่าไม่มีตัวเรานี่คิดเอาเองนะคิดเอาเองไม่ได้หรอกจิตก็ยังทุกข์อยู่ต้องภาวนานะมีสติรู้กายมีสติรู้ใจบ่อยๆรู้ไปเรื่อยใจค่อยสะอาดสะอ้านขึ้นเรื่อยๆกิเลสทีแรกเราจะหัดภาวนาใหม่ๆนะั้นต้องเห็นกิเลสหยาบๆ เพ็นโทสะแรงๆเกิดขึ้นถึงจะมีสติรู้ทันนีต่อไปขัดใจเล็กๆก็มีสติรู้ทันนะะราคาก็ดูยากขึ้นไปอีกราคะเป็นความโลภในใจพวกเราดูออกไหมว่าใจเรามีราคะเกือบตลอดเวลาดูออกไหมราคาอะไรเช่นมันคันอยากเกานะไม่เห็นว่าอยากเกานะมันเมื่อยอยากขยับไม่เห็นว่าอยากขยับนะ ได้ยินเสียงอะไรก้องแก้งอยู่ข้างหลังอยากดูไม่รู้ว่าอยากดูความอยากที่จะดูอยากฟังอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากกระทบสัมผัสทางกายอยากรู้เรื่องทางใจความอยากทั้งหลายทั้งปวงนี่เป็นโลภะเป็นตัณหาทั้งนั้นเลยเห็นไหมความอยากก็เกิดทั้งวันน่ะนั่งนั่งอยู่รู้สึกไหมเดี๋ยวก็อยากเกาเดี๋ยวก็อยากขยับได้ยินใครเขาพูดไหมเขาส่งกันบ้านอยากดูะ ยังไม่ทันจะมีคนส่งกันบ้านเลยเขาส่งใหม่ยังอยากรู้เลยว่าใหม่ไปถึงไหนแล้ว <c oughs> นว่ความอยากมันละเอียดรออ่อนนะเนี่ยเราค่อยๆ่ยมีสติเราจะเห็นเลยใจมีแต่ความอยากทั้งวันเลยความหลงนะีะมีทั้งวันแต่ดูยากยากโทสะเนี่ยนานๆแทรกขึ้นมาทิง้งราคาก็ละเอียดขึ้นดูยากขึ้นโมหะดูยากที่สุดเลยโมหะเป็นความฟุ้งซ่านของจิตเป็นความฟุ้งซ่านของจิต ทำให้จิตไม่มีคุณภาพที่จะรู้สภาวธรรมตัวอย่างโมงหางง่ายๆนะเคยได้ยินหลวงปู่ดูลบอกไหมว่าจิตมันไหลไปจิตมันส่งออกนอกอะไรเงี้ยจิตส่งออกนอกมันหลงนะมันหลงแล้วถึงจะได้ส่งออกนอกในขณะที่จิตส่งออกนอกนั้นประกอบด้วยความหลงเสมอถ้าจิตส่งออกนอกคือจิตมีโลภะมีตัณหาเนี่ยจะต้องเกิดร่วมกับความหลงถ้าจิตไม่หลงก็ไม่ส่งออกนอก พวกเราลองดูสิเราหลงทั้งวันรู้สึกไหมก่อนจะโลภเราก็หลงก่อนก่อนจะโกรธเราก็หลงก่อนหลงอะไรมากที่สุดนัหลงไปคิดหลงคิดนี่เกิดทั้งวันเลยสังเกตไหมใจเราแอบไปคิดได้เองค่อยๆสังเกตแต่นะใจมันหนีไปคิดได้เองหนีไปคิดแวบแวบหนีไปเรื่อยๆดูออกไหมหนีไปคิดแล้วไม่มีหยุดคิดนะจิดหนีไปคิด ไม่ได้ฝึกห้ามถ้าเราไม่ได้ฝึกให้ตัวเองเป็นคนที่คิดไม่เป็นกลายเป็นต้นไม้และก้อนหินแต่เราฝึกรู้ทันจิตไหลไปคิดแล้วรู้ทันจิตไหลไปคิดแล้วรู้ทันใจมันจะตื่นขึ้นมาใจที่ตื่นขึ้นมาจะตรงข้ามกับใจที่มีโมหะนั่นเองใจที่ตื่นใจที่มีโมหะก็หลงไปไม่รู้สภาวะใจที่ตื่นขึ้นมาก็สามารถรู้กายรู้ใจได้ใจที่หลงไปก็จะลืมกายลืมใจ สังเกตดูขนาดที่พวกเราหลงไปคิดมีกายเราก็ลืมมันมีใจเราก็ลืมมันเราลืมทั้งวันนะเอาทดสอบรู้สึกไหมเวลามันหลงไปคิดเรามีกายเราก็ลืมมีใจเราก็ลืมนะครดูไปนะเอาพอเดี๋ยวหลงจนหลับบางคนเริ่มเคลิมแล้วดูมากไปนะลืมตาไว้ภาวนาอย่าหลับตา เวลาภาวนาพยายามลืมตาเข้าไว้เอาอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนนะพระเจ้าสอนเวลาจะทําสมาธิทําอะไรนะท่านบอกภิกษุทั้งหลายให้เธอคูบันลังคู่บันลังคือนั่งขัดสมาธิทําไมต้องนั่งขัดสมาธิพระท่านั่งขัดสมาธิเป็นท่าที่นั่งได้นานที่สุดนะพวกเรานั่งเก้าอี้ได้ไหมได้แทําไมพระพุทธเจ้าให้ขัดสมาธิเขาแขกแต่ก่อนนะนักบวชทั้งหลายขัดสมาธิ ไม่มีเก้าอี้นั่งคนรุ่นนี้ขาดสมาธิไม่เป็นนะทํำไรนั่งพับเพียบเพะไม่เป็นนั่งเก้าอี้ก็ได้นั่งตัวตรงๆหลังตรงๆไหมอย่านั่งเอียงกระเทะเะไอย่างนี้นะนั่งตรงๆแต่ไม่ใช่ต้องตรงอย่างนี้เราไม่ใช่ทหารนะไม่ใช่ว่าต้องนั่งตัวแข็งมากไปนั่งตัวตรงๆก็ไม่ใช่กระบิดกระบวนไปเรื่อยครูบันลังตั้งกายตรงๆ ดำรงสติเฉพาะหน้าเห้ไม่ให้มีสติหายใจออกยาวรู้ว่หายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ว่หายใจเข้ายาวสังเกตไม่ไม่มีคําว่าหลับตาภิกษุทั้งหลายให้คูบันลังตั้งกายตรงดํารงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่หายใจออกยาวไม่มีหลับตานะของเราไปติดนิสัยหรือสีมาเราชอบดูหนังใครเคยดูหนังจักจักวงวงมังรู้จักไหมจักจักวงวง ทำไมมันชื่อจักจักวงวงเพราะสมัยโบราณนะพระเอกของเรื่องมันชอบชื่อจักกับชื่อวงเช่นอะไรเช่นลักษณะวงเห็นไหมเออมีอะไรอีกอะมีจักจักนี่เยอะเลยหลวงพ่อชักลืมแล้วเลยเรียกจักจักวงวงมาถึงกี่เรื่องกี่เรื่องก็มีพระเจ้าแผ่นดินนะพระเอกเนี่ยไม่จักก็วงอยู่แค่นั้นในเรื่องพวกนี้นะ เมื่อก่อนนี้ช่องเจ็ดชอบทำหนังนะเมื่อก่อนหลวงพ่อไปทุระที่ไหนวะจำไม่ได้แล้วเว้ยแพดฉันข้าวข้างถนนนะยังเปิดปราบูทองอยู่เลย <c oughs> โอ้โหปราบูตัวนี้ทนจริงๆนะเล่นกันมาตั้งหลายสิบรอบแล้วนะนางปาบู <c oughs> ในเรื่องพวกนี้นะจะมีฤาษีฤาษีเนี่ยนั่งหลับตาทุกคนเลย เราจะเห็นภาพองค์ฤๅษีต้องนั่งยิ่งหนวดยาวยิ่งเก่งแสดงว่านั่งมานานแล้วคนไหนนะฤๅษีองค์ไหนตนไหนมีนกกระจอะไปทําลังได้นะนั้นเก่งสุดยอดเลยแสดงว่านั่งมานานไม่กระดุกระดิกเนี่ยเราไปติดภาพพวก น, นี้ว่านักปฏิบัตินะั้นต้องนั่งสมาธิหลับตาแล้วก็นานนานด้วยไม่กระดุกระดิกเลยนั่งจนเป็นก้อนหินขี้ฝุ่นจับแมงมุมมาไต้นะทำลังได้อย่างนั้นยิ่งเก่ง นี่เราไปติดภาพพดซึ่งใช้ไม่ได้มาพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้หลับหูหลับตานะท่านสอนให้มีสติวิสูตรทั้งหลายให้คู่บัลังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้านี่หัวใจของมันอยู่ที่มีสตินี่หายใจออกก็รู้สึกหายใจเข้าก็รู้สึกไม่ใช่มีสติแค่ตอนหายใจนะยืนเดินนั่งนอนก็ให้มีสติคอยรู้สึกร่างกายมันยืนร่างกายมันเดินร่างกายมันนั่งร่างกายมันนอน เวลาเกิดความสุขก็มีสตินะไม่เพลินไปในความสุขมีความทุกข์เกิดขึ้นก็มีสติไม่หลงไปเกลียดชังมันจิตโลภขึ้นมาก็มีสติรู้ทันว่าจิตมันโลภไม่ใช่เราโลภจิตมันโกรธก็มีสติรู้ทันว่าจิตมันโกรธไม่ใช่เราโกรธจิตมันหลงมีสติรู้ทันว่าจิตมันหลงไม่ใช่เราหลงไม่มีสติหัวใจสาคัญของการปฏิบัติคือความมีสติคนในโลกไม่มีสติคนในโลกขาดสติตลอด เวลาขาดสตินั้นจะหลงไปคิดคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้เป็นส่วนใหญ่นะหัดรู้สภาวะไปนะหลวงพ่อกําลังสอนพวกเรานะในสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยของการเจริญสติปัฏฐานหรือการทํำวิปัสนาคือการรู้สภาวะนะเพราะวิปัสนกากรรมฐานจริงๆเนี่ยนะคือการรู้สภาวะรูปธรรมนามาทำเนี่ยเรียกว่าสภาวะการรู้สภาวะตามความเป็นจริง งั้นก่อนจะรู้สภาวะตามความเป็นจริงได้ต้องรู้สภาวะซะก่อนคนทั้งหลายรู้สภาวะคือรู้กายรู้ใจตัวเองไม่ได้เพราะว่าขาดสติใจลอยไปงั้นพวกเราคอยมามีสตินะมาหัดรู้สภาวะมารู้สิ่งซึ่งเกิดขึ้นในกายในใจนะถ้าไม่รู้สภาวะที่กําลังเป็นนะเรียกว่าหลงทั้งหมดเลยโมหะเนี่ยคือการที่ไม่รู้สภาวะที่กําลังเป็นอยู่การเจริญวิปัสสนาเนี่ยเรียกว่าการเจริญปัญญา ปัญญานั้นเป็นสิ่งตรงข้ามกับโมหะปัญญาเนี่ยมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าอาโมหะะงั้นปัญญาเนี่ยคืออโมหะโมหะมันตรงข้ามกับปัญญาโมหะคือหลงงั้นอยากเจริญปัญญานนะข้ต้องรู้สึกตัวอย่าหลงไปรู้สึกตัวแล้วเห็นกายมันทํางานเห็นจิตมันทํางานเอ้าใครหลงยกมือให้ดูซิเมื่อกี้นี้ ยัำรู้สึกตัวนะใจหลงไปคิดรู้ทันใจหลงไปคิดรู้ทันนี่คือการหัดรู้สภาวะจิตที่หลงทำไมแนะนำให้รู้สภาวะจิตที่หลงเพราะจิตที่หลงเป็นจิตที่เกิดตลอดเวลาเลยเกิดถี่ยิบเลยนะยกเว้นบางคนเอาเป็นขี้โมโหมากๆก็ไปดูสภาวะจิตที่โกรธบางคนมันโลภมากนะก็ไปดูสภาวะจิตที่โลภดูยืนพื้นไหมแต่คนส่วนใหญ่นะไม่ได้โกรธมากไม่ได้โลภมากแต่ว่าหลง นั้นถ้าหารู้สภาวะที่จิตหลงไปได้นะเราจะเห็นสภาวะนี้ทั้งวันเลยทุกครั้งที่เห็นสภาวะถูกต้องตรงความเป็นจริงเป็นปัจจุบันนะเรียกว่ามีสติขึ้นมานั้นมีสติแล้วก็เรียกว่ารู้รู้กายรู้ใจได้รู้สภาวะได้ถัดจากนั้นก็ให้เกิดปัญญาคือให้เห็นความจริงของกายของใจเราจะรู้ยังไงรู้กายรู้ใจยังไงให้เห็นความจริงต้องไม่ไปดัดแปลงกายดัดแปลงใจ พวกเราเวลาภาวนาชอบดัดแปลงกายดัดแปลงใจจะเดินจงกรมรู้สึกไหมเดินมาตั้งแต่เด็กนะพ่อแม่สอนเดินเดินได้เดินชอปปิ้งเดินไล่หลายชั่วโมงให้เดินจงกรมน่าจะตายละอึนอัดเครียดเพราะอะไรเพราะไปดัดแปลงตัวเองไปเปลี่ยนท่าเดินเดินเป็นธรรมดาเนี่ยเดินธรรมดาไม่ได้เหรอเดินธรรมดาแล้วมีสตินั่นแหละเรียกว่าเดินจงกรมเดินสวยงามยกขาเท่านั้นก้าวขาเท่านี้นะ สวยยังไงก็ไม่เก่งเท่าพวกโยธวาทิตหรอกพวกโยธวาทิตเดินสวยกว่าอีกแตไม่เห็นบนรรลุมรรคผลนิพพานสักคนเลยเพราะฉะนั้นะมันไม่ได้อยู่ที่กระบวนท่าหรอกอยู่ที่มีสติไหมมีสติเดินอยู่มันะจะเห็นว่าร่างกายนี้กาลังเดินอยู่ร่างกายที่เดินอยู่ไม่ใช่ตัวเรามีสติอยู่นะแล้วสติระลึกรู้ทันจิตที่หลงไปคิดมันจะเห็นว่าจิตหลงไปคิดได้เองจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราเนะนี่ยถ้ามีสติแล้วมันจะเกิดปัญญาเห็นไตรลักษณ เห็นมันเป็นของไม่เที่ยงกายนี้ไม่เที่ยงใจนี้ไม่เที่ยงใจนี้เป็นทุกข์ใจนี้เป็นทุกข์กายนี้ไม่ใช่ตัวเราใจนี้ไม่ใช่ตัวเราจะเห็นอย่างนี้เรียกว่าเดินปัญญาแต่ไม่ใช่คิดเอาต้องเห็นเอาคิดเอาไม่ใช่ของจริงคิดเอาเป็นสมถะนะถ้ายังเจือด้วยการคิดอย่างมากที่สุดได้สมถะอย่างคิดเรื่องร่างกายเนี่ยคิดเรื่องกายเป็นปฏิกูลเป็นอาสุภานะก็เป็นสมถะกรรมฐาน คิดว่าร่างกายนี้ไม่นานก็ตายนี่ก็สมถะกรรมฐานเรียกมรณะสติะงั้นเราต้องดูกายดูใจตามความเป็นจริงความจริงของมันคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราค่อยๆดูไปแต่ถ้าเราลืมกายลืมใจเราก็จะไม่มีทางเห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์งั้นขั้นแรกสุดต้องรู้สึกกายรู้สึกใจให้ได้เรียกว่ามีสติซะก่อนพมอมีสติแล้วเราก็ดูกายมันทํางานดูใจมันทํางานดูโดยไม่แทรกแซงดูด้วยความเป็นกลาง เห็นกายมันเคลื่อนไหวเห็นจิตมันเคลื่อนไหวเฝ้ารู้มันไปเรื่อยปัญญามันถึงจะเกิดว่ามันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลามันเฉยไม่ได้อย่างร่างกายนี้ทุกข์นะสังเกตไหมนั่งเฉยเฉยไม่ได้ต้องกระดุกกระดิกไปเรื่อยเลยความทุกข์มันบีบคั้นอยู่นทนอยู่ไม่ได้ที่จะอยู่เฉยเฉยจิตใจก็ถูกตัณหาบีบคั้นรู้สึกไหมมีความอยากบีบคั้นตลอด จิตใจต้องดิ้นตลอดเลยคลุกคคลักๆดิ้นไปน้นไปนี่เพราะว่ามีตันหาบีบคั้นอยู่ตลอดนี่ทั้งกายมันก็ทุกข์นะมันถูกบีบคั้นจิตมันก็ทุกข์มันถูกบีบคั้นมันทนอยู่ในภาวะอันใดหนึ่งไม่ได้ร่างกายมันจะเป็นยังไงจิตใจมันจะเป็นยังไงเราสั่งไม่ได้มันมีเหตุมันก็เป็นไม่มีเหตุมันก็ไม่เป็นการที่ว่าสิ่งใดมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นี่แหละคือหลักของอนัตตาสั่งไม่ได้จริง ใครลองสั่งร่างกายที่จงหายใจเข้าอย่างเดียวอย่าหายใจออกลองสั่งดูเอา้าให้หายใจเข้าหนาทีลองซิ <c oughs> ตายไหมตายแงย่แก่เลยเห็นไหมหายใจออกอย่างเดียวหนาทีเอาลองดูนะอย่าว่าแต่ห้านาทีเลยนะหนึ่งนาทียังปางตายละสั่งไม่ได้จริงหรอกนะมันต้องทำงานไปเรื่อยๆนะจิต <c oughs> ใจละ่ะสั่งว่ า, งวาจงมีความสุขอย่างเดียวสั่งซิ ถ้าสั่งได้นะสั่งอย่างนี้เลยจงเป็นพระอาหารหันต์นากาลบัติน้เทินนะสั่งซื้สั่งสั่งไม่ได้นะจงมีแต่ความสุขจงอย่ามีความทุกข์สั่งได้ไหมสั่งไม่ได้เนี่ยคือความจริงของเขาละงั่นเราหัดปฏิบัติธรรมนะเบื้องต้นมีศีลมีสมาธิศีลควบคุมกายวาจาให้เรียบร้อยไว้สมาธิข่มใจไว้ให้สงบหน่อยอย่าฟุ้งซ่านตามกิเลสนัก พอใจสงบแล้วไม่ตามกิเลสไปแล้วค่อยมาเจริญสติอย่าลืมกายอย่าลืมใจคอยรู้สึกกายรู้สึกใจบ่อยๆเวลารู้สึกกายรู้สึกใจแล้วไม่เข้าไปแทรกแซงบังคับไม่ไปเพ่งให้นิ่งปล่อยให้มันทํางานแล้วตามดูมันไปเรียกว่าเจริญปัญญาตามดูมันไปแล้วจะเห็นเลยร่างกายนี้จิตใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเรานะเห็นแล้วจะได้อะไรเห็นแล้วจิตมันจะเริ่มฉลาดขึ้นมานะจะเริ่มเห็นแล้ว ทุกอย่างในร่างกายทุกอย่างในจิตใจเราเนี่ยเป็นของชั่วคราวสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปหมดเลยไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นตัวตนถาวรในกายในใจนี้ร่างกายนี้อยู่ชั่วคราวจิตใจซึ่งเราเคยรู้สึกว่าเป็นตัวตนถาวรนั้นก็ไม่ได้เป็นปุถุชนยังรู้สึกว่าจิตใจเป็นตัวตนถาวรอยู่นะถ้าใครยังรู้สึกอย่างนั้นยังเป็นปุถุชนอยู่ดูง่ายๆเลยพวกเรารู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งรู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่ง เราเดี๋ยวนี้กับเราเมื่อปีกลายเราเดี๋ยวนี้กับเราเมื่อตอนเราเด็กๆเรายังรู้สึกว่าเป็นคนเดิมเลยเนะเรารู้สึกว่ามันเที่ยงมันมีตัวหนึ่งที่เที่ยงมีตัวหนึ่งที่คงที่ถาวรนี่แหละเรียกว่าเราสําคัญผิดเราเห็นว่ามีอัตราตัวตนั้นถ้าเรามหัดเจริญสตินะเราจะเห็นจิตนั้นเกิดดับตลอดเวลาเดี๋ยวจิตก็ดูเดี๋ยวจิตก็ฟังเดี๋ยวจิตก็คิดเดี๋ยวจิตก็สุขเดี๋ยวจิตก็ทุกข์เดี๋ยวจิตก็เฉย เดี๋ยวจิตก็โลภเดี๋ยวจิตไม่โลภเดี๋ยวจิตโกรธเดี๋ยวจิตไม่โกรธเดี๋ยวจิตหลงเดี๋ยวจิตไม่หลงเดี๋ยวจิตฟุ้งซ่านเดี๋ยวจิตหดหูนะเนี่ยเฝ้ารู้ไปเรื่อยเราจะเห็นเลยเ่ยในนี้ไม่ได้มีตัวคงที่อยู่หรอกมีแต่ตัวเปลี่ยนแปลงจิตใจที่เรานึกว่าคงที่นั้นเอาเข้าจริงไม่คงที่นะเนี่ยเฝ้ารู้ไปเรื่อยจนปัญญามันเกิดมเห็นเลยว่าตัวตนถาวรไม่มีมีแต่สภาวะที่เกิดขึ้นเป็นคราลูกกระทั่งจิต นะซึ่งเราสําคัญมั่นหมายตลอดเลยว่าในนี้คือเราในนี้คือเรามีเราอยู่คนหนึ่งจริงๆคือตัวนั้นคือตัวจิตนั่นเองเรารู้สึกว่าจิตคือตัวเรานะมาหัดภาวนาดูจิตดูใจเห็นจิตเกิดดับไปเรื่อยเลยรู้เลยจิตไม่ใช่มีดวงเดียวหรอกจิตเกิดดับทียิบเลยนะไม่ใช่ตัวตนถาวรผู้ใดเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาไม่มีตัวตนถาวรผู้นั้นแหละคือพระโสดาบัน พระโสดาบันเห็นว่าไม่มีตัวตนนะไม่มีตัวตนถาวนรนี่ละสักกายทิฐิได้สักกายทิฐิคือความเห็นผิดว่ามีตัวตนถาวรหรือนในกายในใจนี้งั้นเรามาเจริญสตินะวันหนึง่งเราละความเห็นผิดว่ามีกายมีใจเป็นตัวเราถาวร น, นะแต่กายกับใจมีอยู่นะแต่ไม่ถาวรไม่มีตัวเราได้เป็นพระโสดาบันการปฏิบัติถัดจากนั้นนะจะไม่ยากแล้วใครได้เป็นพระโสดาบันเนี่ยความทุกข์จะหายไปหลายสิบเอร์เซนต ไม่ใช่หายไปหนึ่งในสี่นะเราชอบมั่วเอาเองอย่างคิดว่าพระโสดาสกทาคานาคาพระอระหันต์มีสี่ระดับงั้นแต่ละขั้นเนี่ยละยี่ส้าเซนต์คิดเอาเองนะไอ้พวกนักสถิติใช้ไม่ได้หรอกนะจริงๆหายไปเยอะเลยเป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยความทุกข์ตกหายไปหลายสิเอร์เซมากเลยเกินครึ่งหนึ่งนะเกินครึ่งอย่างน้อยหกสิเปอร์ซนตหายไปให้ดูต่อหน้าตาตาเลยนะ ชีวิตที่เหลือเนี่ยเป็นส่วนที่ประนีตละค่อยๆดูต่อไปพอถึงผ้านาคานะผ่านฐานสกทาคาขึ้นมาเนี่ยกิเลสเหลือสักยี่สิเอร์เซได้เหลือน้อยละภาวนาต่อไปนะหมดเมื่อไหร่ก็หมดเมื่อนั้นแหละกิเลสส่วนปลายเนี่ยนิดเดียวเลยเล็กนิดเดียวนะแต่ละเอียดแต่ละเอียดกิเลสหยาบๆเนะีตัวใหญ่เบ้อเร่อเลยกินพื้นที่เยอะตัวโตๆ สู้ไม่ยากนะกิเลสที่ละเอียดละเอียดนะเหมือนเชื้อโรคที่มองไม่เห็นนะสู้ยากนะหรือทีแรกเราเป็นหมออย่างหมอใช่ไหมเชื้อแบคทีเรียเชื้อเชื้อราเชื้ออะไรนี่สู้ง่ายนะพอถึงเชื้อไวรัสนี่ตัวเล็กแล้วสู้ยากแลกกิเลสพอละเอียดนะยิ่งไปเชื้อไวรัสอีกมันเนียนเวลาที่กิเลสละเอียดนะมันจะรู้สึกเหมือนกับจิตเป็นกูสนด้วยซ้ำไป เช่นจิตใจของเราภาวนาแล้วเราไม่อยากยุ่งกับใครเลยวันๆเราอยากภาวนาอย่างเดียวคิดถึงพระพุทธเจ้าทั้งวันเลยนะจิตใจสงบสุขทั้งวันเลยเราเคิกว่าเนี่ยจิตเป็นกุศลความจริงจิตมีราคาที่ละเอียดนะพอใจในรู ป, ป ร, ราคารู ป, ป ร, ราคาอะไรเงี้ยหรือภาวนานะใจลึกๆเนี่ยเมื่อไหร่จะนิพพานสักทีนะเนี่ยนึกว่าเป็นความหวังดีมุ่งมั่นดีจริงๆจิตฟุ้งซ่งงงาน สแสวงหาทางนิพพานทําไงจะนิพพานสักทีน้อเนี่ยเหลืออีกหน่อยหนึ่งทําไมมันไม่หมดสักทีเนี่ยความฟุง้งซ่านเรียกว่าอุทธัจจะสังโยชน์ียกิเลสราละเอียดนัดูยากยิ่งเอาวิชานะดูยากที่สุดเลยเอาวิชาคือความไม่รู้หน้าตาของความไม่รู้เป็นไงอะใครรู้จักม้างใครรู้จักหน้าตาของความไม่รู้บ้างรู้จักหน้าตาของความโกรธไหม ความโกรธเป็นยังไงเรารู้ใช่ไหมพุพ่งพรวดขึ้นมานะถ้าแรงนี่ขึ้นหน้าเลยขึ้นหัวเลยนะแรงมากกว่านั้นทะลุขึ้นไปอีกความโลภรู้สึกไหมมันเยิม่มเยิมหวานหวานเยิ่มเยิมนะค่อยๆดึงทุกอย่างเข้าหาตัวเองเห็นไหมดูออกความหลงแบบหยาบหยาบดูง่ายเช่นใจลอยรู้จักไหมใจลอยฟุ้งซ่านรู้จักไหมรู้จักเห็นไหมแล้วความไม่รู้รู้จักไหมไม่เห็นหรอกอา้าวแปดโมงพอดี เชิญไปทานข้าวนิมนต์เลยครับ